Book 2 <30 S> 3สามสิบที่ร้านอาหารสองอขอน้ำแอปเปิลค่ะยนแอปเปิลซออสบขอน้ำมะนาวค่ะ ยินเ e m อนนอเดอร์อัสเซบขอน้ำมะเขือเทศค่ะย e นแตมออติสอป s ัส b l i e f t ดิฉันขอไวน์แดงหนึ่งแก้วค่ะอควิลกรอกยินกลาสรุ่ยไวน์นี้ดิฉันขอไวน์ขาวหนึ่งแก้วค่ะอ wil ล r a อ g ยินกลาสวดไวน n นี ที่ฉันขอแชมเปญหนึ่งขวดค่ะเอควัลกรอก a b o t l e champagne คุณชอบปลาไหมคะ How j y van f i s คุณชอบเนื้อวัวไหมคะ How j y van beef l i e s คุณชอบเนื้อหมูไหมคะ How j y van pork f l e s ดิฉันต้องการอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์ดิฉันต้องการผักรวมหนึ่งชุดดิฉันอยากได้อะไรที่ใช้เวลาทำไม่นานดิฉั l อย a กได้อะไรทีไม่นาน คุณต้องการทานกับข้าวสวยใช่ไหมคะ Sukiadet m a d rice คุณต้องการทานกับพาสต้าใช่ไหมคะ Sukiadet made pasta คุณต้องการทานกับมันฝรั่งใช่ไหมคะ Sukiadet made vegetables รสรชาติไม่อร่อย ดดสมอกสลักอาหารเย็นชื่อดิคุสเอสกตดิฉันไม่ได้สั่งจานนี้อากตนี่อีร์ดีเบสตาหนกรุณาไปที่ w w w b o o k t o d e